ว่านับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้กระแสชีวิตที่เป็นบาปมันมาเกิดใหม่แล้วเอาถ้ามันยังเกิดอีกก็สมาทานเรื่อยสมาทานเรื่อยไม่ใช่สมาทานเพื่อจะป้องกันกระแสความคิดมันก็ชัดขึ้นเมื่อชัดขึ้นปัญญาก็เริ่มมาไหลได้จริงในชีวิตจม่ะพอสภาพปัญญาเนะี่ยไหลได้จริงในกระแสชีวิตไปเสร็จปัญญามันตัวตัดรอนบาปนี่ถามว่าปัญญาเป็นตัวสภาพเป็นการตัดรอนบาปมันตัดยังไง สภาพของปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะตัดรอนบาปอากุศลธรรมอลามกได้ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นอะไรจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าหาว่าสภาพธรรมที่กําจัดความมืดคือโมหะที่ปิดสภาวะลักษณะแล้วก็ปิดสามัญญลักษณะของปัญละมดธรรมให้สังเกตนะว่าทําไมเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรไม่เห็นสภาวะลักษณะเช่น ไม่เห็นว่าเออเนี่ยขณะนี้เป็นบุญเป็นแบบนี้บาปเป็นอย่างนี้เช่นเราตั้งใจในการจะกระทําทางกายทางวาจานเอตั้งใจทีไรเราโกรธทุกทีเอ้ความตั้งใจตรงนี้แสดงว่าเจตนาของเราเกิดร่วมกับโทสะใช่ไหมล่ะอันนี้ชัดแล้ว น, นี่ผิดแน่นอนเนี่ยแต่เราก็ไม่เข็ดแทั้งตั้งเจตนาแบบนี้ทําไปทีไรโทสะเกิดทุกทีเนี่ย ตั้งใจทำแบบนี้อะไรโทสะเกิดทุกทีแต่เราก็ไม่เข็ดแล้วจะทำยังไงตั้งเจตนาแล้วให้มีเมตตาเห็นไหมว่าก็แยกเจตนาดีกับเจตนาชั่วเสียอันนี้เขาเรียวกว่าเริ่มรู้สภาวะลักษณะว่าเจตนาคือความจงใจจะตั้งใจจัดแจงให้บาปเกิดกับเจตนาจงใจตั้งใจให้บุญเกิดก็แยกสองส่วนเสียพอแยกสองส่วนอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วก็เริ่มโอ้เริ่มแยกเป็นแล้ว แล้วก็ป้องกันไม่ให้เจตนาชั่วมามีอิทธิพลในใจจะให้เจตนาที่เป็นฝ่ายดีทั้งหลายมีอิทธิพลในใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คือความจงใจความจัดแจงว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้บุญเท่านั้นเกิดนี่มันเกี่ยวกับเรื่องสมาทานเลยนะเนี่ยหมือนว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดอะไรจะเกิดขึ้นนะจะให้เจตนากระตุ้นบุญเกิดแล้วไม่พอจะให้ปัญญาเกิดด้วย ใช่ถามว่าเราเคยคิดถึงคนเยอะั้มวันหนึ่งวันหนึ่งเราเคยคิดถึงเรื่องราวต่างๆมากไหมวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ลองถามใจตัวเองดูที่ว่าที่คิดไปแต่ละครั้งนะ่ะปัญญามันไปกับความคิดมั้ยเออปัญญาเนี่ยมันรู้ความจริงมันสว่างเจิดจ้าในใจทุกครั้งไหมเช่นเราคิดถึงบ้านอุยปัญญามันก็เกิดทุกครั้ง กรรมมาสกตาปัญญาก็เกิดทุกครั้งว่าบ้านนี้เป็นผลของบุญนเนี่ยเนี่ยมันมาจากกุศลในอดีตจึงมีบ้านแบบนี้ฉะนั้นเห็นผลแบบนี้เบ็ดเสร็จก็เข้าใจเหตุในอดีตแล้วก็เข้าใจผลในปัจจุบันถ้าอย่างนี้เริ่มแล้วเนี่ยปัญญาเริ่มทำกิจแล้วคิดถึงบ้านไม่จะคิดเฉยๆแล้วคิดอ๋อหนี้เป็นผลผลของบุญที่ทำมาเอามาจากเหตุของทานและกุศลนะเนี่ยมาจากเขตุของศีลกุศลประเภทนี้นะได้มาครอบครอง ทําไมโอ้บ้านหลังนี้จึงงามนะอ๋อมันมาจากศรัทธาให้ด้วยศรัทธานะเราจรึงได้บริเราจรึงได้ทรัพย์ได้บริวารที่มันผ่องใสเออเข้าใจแล้วแล้วเห็นต่อไปไหมเห็นบริวารสมบัติไหมอาอเห็นบริวารสมบัติเ อ, อ๊ะทําไมบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังอ๋อมันมาจากทานกุศลไม่นอบน้อมนะนี่ปัญญาก็เข้าใจอีกเห็นไหมเนี่ยเ อ, อว เ, วเราเบสต์ก็ บเบเร็จแล้วอ๊ะทำไมเราปรารถนาได้บุตรได้บริวารช่วงไหนปุ๊บมันก็ได้ทันทีเลยอ๋อ น, นี่มาจากการละทานนะ น, นี่ก็เริ่มเข้าใจเอ๊ะถึงเรามีบ้านมีอะไรต่างๆเราก็ไม่เหมือนประดุจดังปู่สมเฝ้าทรัพย์เราก้าที่จะสละสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันนพบต่ออ๋อ น, นี่มันมาจากอนุหีตาทานนะการให้แบบสละขาดแหมดีเนาะเนี่ยเราอัตยาสัยที่สั่งสมมาเรากลายเป็นบุคคลที่ไม่ตนีเนี่นะ เออเวลามีบ้านเบ็เสร็จทำไมมันเสียหายอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็พังบ้างเดี๋ยวก็ขโมยขึ้นบ้างแล้วก็ไฟไหม้บ้างเดี๋ยวตรงนั้นก็วิบัติบ้างอ๋อนินมาจากอนุปัจฐทานไม่ดีให้ไปใช้ทิฏฐิมานะไปกระทบเขากระทบมาที่สจริงได้ของมาก็ต้องถูกกระทบกระทั่งเสียหายนี่มันเข้าใจไหมเนี่ยถ้าปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้มันเห็นผลเห็นเหตุพอ เ, เห็นผลเห็นเหตุอย่างนี้ถามว่าเออเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยง หมายว่าเหตุเป็นอนิจจลักษณะผลก็ต้องเป็นอนิจจลักษณะเหตุมันเป็นทุกข์เนี่ยมันตั้งอยู่มันถูกเบียดเบียนด้วยทันท่าคือความเกิดและความดับแล้วผลมันก็ต้องถูกเบียดเบียนด้วยทันท่าคือความเกิดและความดับเหตุมันเป็นอนัตตาเราไปคอนโทรลมันได้ที่ไหนแล้วมันสั่งสมมาแล้วเมื่อได้เหตุปัจจัยมันก็ให้ผลอาผลก็ต้องเป็นอนัตตารู้อนิจจังทุกขรังอนัตตาด้วยหลังจากรู้ลักษณะของเขาแบบอย่างนี้แปลว่าปัญญาเกิดไหมเนี่ยปัญญาก็เกิดพอปัญญาเกิดอย่างนี้จับประมาทไหมคนคิดแบบนี้ ก็ไม่ประมาทฉะนั้นสภาพจิตใจที่ไม่ประมาทนั้นก็เข้าไปแทงตลอดแล้วก็รีบประดมการสั่งสมบำเพ็ญทานบารมีอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทรัพย์สมบัติชั่วระยะเป็นทรัพย์สมบัติของตนชั่วระยะอย่าว่าแต่ผลของบุญเป็นทรัพย์ของเราเลยแม้ผลของบาปก็ยังเป็นทรัพย์ของเราเลยเช่นถ้าบาปจะให้ผลเราเป็นคนหูหนวกเนี่ยไอ้ความหูเป็นคนหูหนวกก็เป็นทรัพย์สมบัติของเราที่กําลังรับอยู่ ถ้าบาปจะให้ผลเราเป็นคนพิการบ้าใบบอดหนัวไอ้ความบ้าใบบอดหนวก็เป็นทรัพย์สมบัติของท่านพูนนั้นใช่ไหมล่ะถ้าหากบุญจะให้ผลกลายเป็นคนมีสติปัญญาเลิศเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนั้นก็ไอ้บุญนั่นเองก็เป็นทรัพย์สมบัติของท่านพูนนั้นไปฉะนั้นทั้งหมดมันมาจากเหตุและผลก็เริ่มเข้าใจว่าสภาพปัญญามันชัดขึ้นเพราะสภาพธรรมที่กำจัดความมืดคือโมหะที่ปิดบังสภาวะลักษณะมันปิดบังแต่ก่อนเรามองไม่เห็น มองไม่เห็นผลและเหตุมองไม่เห็นเหตุและผลถ้าอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นอะไรถ้าอย่างนั้นเราก็กล้าประกอบผตุที่ดีทั้งๆ ท, ที่ผลในอนาคตยังไม่ประจักษ์ในสายตาตอนที่ท่านพระมหาชนกเนี่ยท่านวาวถามบอกว่าฝั่งเนี่ยปรากฏในตาท่านนี้อย่าง ทางทวารตาหรือยังไม่ปรากฏทั้งทวารหูก็ไม่ได้ยินน้าขึ้นกระทบฝังด้วยทวารจะหมกยิ่งไม่รู้เรื่องเ่งทวารกายใช่ไหมก็ไม่รู้แต่ในทวารใจของท่านมีปัญญายอมมัน ม, มีปัญญาเกิดร่วมกับวิริยะคือความเพียรที่ระดมอย่างมุ่งมั่นกระแสชีวิตของท่านมีปัญญาพราะเจตนานั้นมีปัญญาท่านเห็นเหตุและท่านเข้าใจผล ให้สังเกดตดูนะนางเมฆขลานางเทพธิดามาชี้บอกว่าเพียนทําไมทั้งที่เพียนไปก็ไม่เห็นฝังใช่ไหมเล่าไอความเพียนของท่านเนี่ยมันไรผลเป็นต้นเดี๋ยวในรายละเอียดในช่วงบ่ายเนี่ยจะจะแยกให้ดูว่าจริงๆท่านเพียนยังไงไอการเพียนในลักษณะอย่างนี้มันเสียหายยังไงเดี๋ยวมันมั น, ม, นมันดียังไงก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วที่ท่านเพียนนั้นท่านเข้าใจเหตุผล มันเหมือนว่าเราจะขับรถกลับบ้านหรือจะขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยเข้าใจเนี่ยนอนว่ายังไงก็ต้องถึงเชียงใหม่เมื่อเราระดมขับแล้วก็มุ่งหน้าตรงทางเนี้ยนี่ก็เหมือนกันความกล้าที่เป็นวิริยะความมีปัญญาที่มองเหตุในานามองผลในอนาคตที่ชัดท่านจึงกล้าระดมความเพียรเพราะท่านรู้ว่ายังไงก็ต้องถึงจริงไหนก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาถ้าตายไปท่านจะว่างไงใช่ไหมถ้าตายไปก่อนแล้วไม่ถึงท่านไม่เสียใจทำไมต้องเสียใจด้วยเมื่อตายในระหว่างที่กระทำความเพียรใช่ไหมเมื่อระดมความเพียรอย่างสุดความสามารถแล้วชีวิตมันขาดไปแต่คนที่ไม่ได้เพียรอะไรเลยแล้วตายไปนี่สิใช่ไหมล่ะไอคนที่ไม่ได้เพียรอะไรเลยแล้วตายในระหว่างที่ไม่ได้ระดมความเพียรในกระแสชีวิตเลยอย่างนี้มันน่าเสียดายมากกว่า อย่างนี้มันตายในระหว่างเชื่อว่าระดมความเพียรท่านจึงไม่ได้เสียตายเลยไม่แต่น้อยใช่ไหมวันนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ต้องถึงพรุ่งนี้ไม่ถึงปะลืนนี้ต้องต้องถึงสัปดาห์นี้ไม่ถึงสัปดาห์หน้าต้องถึงเดือนนี้ไม่ถึงเดือนหน้าต้องถึงปีนี้ไม่ถึงปีหน้าถึงชาตินี้ไม่ถึงชาติหน้าต้องถึงใช่ไหมจ๊าการคิดอย่างเนี้อันนี้ก็เรียกว่าคิดแล้วไม่ยอมถท้อทอถ้าเรามองอย่างนี้เห็นอะไร จะเห็นสภาพของปัญญาจะเห็นสภาพของปัญญานะว่าลักษณะของปัญญาเนี่ยที่ท่านระดมมาท่านบอกว่าความบริสุทธิ์นี่นะทำมีทานเป็นต้นเว้นเสียจากปัญญาแล้วบริสุทธิ์ไม่ได้ย่อมไม่มีความสามารถขนขวายตามที่ตามที่เป็นของตนได้เหมือนอย่างสรีละยนเนี่ย เว้นชีวิตย่อมมงามถามว่าชีวิตเนี่ยถามว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดมังผือไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเป็นตนน้นเนี่ยนะถามว่าสภาพของหมาพูดแล้วกว่าชรูือภาพรูปธรรมเนี่ยถ้าไม่มีชีวิตแล้วงามไหมไม่งามทานกุศลไม่มีปัญญาไม่งามด้วยแล้วไม่ถูกต้องด้วย แล้วไปไม่เป็นด้วยหกขเมนีตีรังกากันอยู่ในสังสารวัตรนี่แหละมันจะไปได้ยังไงมันจะออกนอกทางออกออกเขาถูกทางได้งไงมันก็วิ่งวนวนวนว น, วนกลับมาอย่างนี้เลยแล้ววนมาก็มานั่งมองหน้ากันอยู่นี่ออกไม่ได้จากสังสารวัตรออกได้ไหมล่ะออกไม่ได้ก็มาเขาหมดท่าแล้วยังไงเวลาพระพุทธเจ้าพูดก็ไม่ค่อยอยากจะฟังแล้วก็ไปแล้วก็ไปคิดเองไปสิเออย่างนี้เราทําอย่างเงี้ เช่นถ้าปู่ย่าตายายทำมาอย่างไงก็ทําทมาอย่างนั้เอ้ยประเพณีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ถ้ามันไม่ถูกมันต้องแก้ไขใช่ไหมล่ะไม่ถูกมันต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าอู้ดเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายคิดมาแบบนี้มันก็ต้องคิดแบบนี้ทั้งหมดถ้าถ้าหากสิ่งที่ถูกต้องนะควรอนุรักษ์นิยมใช่ไหมลูกแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ามาบอกอีกอย่างว่าเอยอยางงี้ผิดนะเนี่ยแต่ก่อ น, นถูกแต่เราถือประเด็นมันผิดเช่นเช่นการให้ทานเนี่ยใช่ไหม พอให้ทานเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมอะไรกันเลยนะพอให้ทานเบ็ดเสร็จก็เอาให้ทานเบ็ดเสร็จแล้วก็ก็จบแค่นั้ น, นจบเลยไม่ได้มีอะไรต่อเลยทีนี้พอให้ไปทุกวนันทุกวันมันก็ติดนะอันน้อัธยาศัยอะ่ะโอ้ยถ้าไม่ได้ให้ทานแล้วนอนไม่หลับแล้วบางคนเป็นงั้นจริงๆนะแต่ไปถามแล้วไม่ได้เข้าใจเรื่องทานเลยนะแต่แต่มันทำํำมันติดแล้วมไม่ได้ให้ทานมันเหมือนขาดอะไรสักอย่าง แต่เนื้อในของทานมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอไปเบีเสร็ันเนี้ยนี่ฉันก็ทำไว้นี่ฉันก็ทําไว้ถ้ามีชื่อเบีเสร็ก็โหไม่ได้ถ้าใครทําชื่อเราหายไปตัวหนึ่งโอ้ยตายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยตอนนี้ใช่ไหมเล่าเออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเขาจะไม่บันทึกชื่อเลยเนี่ยยอมไหมยอมเลยทีนี้ แค่ชื่ออย่างเดียวพอที่ยังความเข้าใจเรื่องทานไม่พอแค่นั้นเพราะทานท่านถึงบอกว่าทำทั้งหลายมีทานเป็นต้นเนี่ยเว้นปัญญาบริสุทธิ์ไม่ได้ย่อมไม่มีความสามารถจะขวนขวายตามที่ตนตามหน้าที่ของตนได้จะขวนขวายได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญามันก็ไปผิดเรื่ผิดทางอย่างเงี้ยศีลรักษาแบบไม่มีปัญญากำกับมันก็ผิดผิดทางไหมใครก็มีศีลกันทั้งหมด ยิ่งช่วงบางเดือนเนี่ยบางคนก็บอกประกาศถือศีลอดนี้เอาสิใช่ไหมแล้วก็ถือศีลกันเนถ้าขาดปัญญาต้องไปไม่ไม่ถูกที่ถูกทางกันแล้วทีนี้ใช่ไหมแล้วรักษาศีลแต่จะโกรธก็ได้ไม่เป็นไรเพราะรักษาศีลใช่ไหมเขาถือกันอย่างนี้ไห้แล้วแล้วเขายัางบอกว่าคนที่ขี้โกรธมากที่สุดคือคนเข้าวัด <laughs> แล้วขี้ใจน้อยด้วยขี้โกรธด้วยบนก็เกง่ง ใช่ไหมล่ะพอเข้ามาสมาทานศีลในวัดก็จับกลุ่มกันได้คนละพวกกับคนละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มลองไปเดินผ่านอามาก็ไปนั่งนะอยู่ตามศาลาการบรรเลงไปนั่งไปปั่งยอคุยอะไรกันเขาเยนทากันเอาเรื่องลูกมาบ้างเรื่องหลานมาบ้างเรื่องญาติคนนั้นมาบ้างอีไม่มีธรรมะจะคลอเลยนั่งคิด่านี้เลยบอเออนี่เป็นเรื่องเป็นประเพณนี้แบบนี้แล้วนะแบบเนี้ แต่ก็ใส่ชุดขาวเหมือนกันหมดเลยเนีชุดนี่ขาวดู ง, งามเลยนี่บ่งบอกถึงอะไรอ่ะบ่งบอกถึงว่าชาวพุทธขาดปัญญาในการให้ทานขาดปัญญาในการรักษาศีลถ้าถามอางเนี้ยว่ า, วาหนึ่งย่อมไม่สามารถปฏิบัติในกิริยาทั้งหลายของตนเองได้และอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขู่เป็นต้นเว้นวิ ญ, ญญาณเสียแล้วก็ไม่สามารถจะทํากิจในวิสัยของตน จากขูภาษาโสตปภาษาคณะภาษาชิวหาภาษากายประสาทใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าเว้นใจซะแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้แม้ชั้นใดถ้าถามบอกว่าเอออินทรีย์ทั้งหลายศรัทธาเป็นต้นก็เว้นปัญญาแล้วก็ไม่สามารถในการปฏิบัติกิจของตนนถามว่าศรัทธานี่นะถ้าศรัทธาไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่บริบูรณ์ เวรียาไม่มีปัญญาเรียบร้อยเลยหลงที่หลงทางศรัทธาถ้าแยกเป็นสองด้วยยุ่งเลยนะเป็นปเป็นเรื่องของไอศรัทธาเทียมกับศรัทธาแท้เนี่ยไอตัวศรัทธาเทียมนี่เป็นมิจฉาทิโมกเอาสิเชื่อผิดเราเคยมีมิจฉาทิโมกกันมาอย่างยาวไกลเนี่ยที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนมีศรัทธาแท้กันมาอย่างยาวไกลนะเราเนม่ศรัทธาผิดมาเยอะ สัตย์ผิดมาเยอะถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยป่านนี้เราจะไปไหว้เยอระเข้กันนะบงคนใช่ไหมละ่ะเจอเจอระเข้ถ้าเกิดห้าหกขาแค่นี้แล้โอ้โหเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาวหา้เอาทูบไปปากขอหวยกันเป็นเดวใช่ไหมละ่ะเจอต้นไม้ที่มันออกมาประหลาดประหลาดน่อยไอ้ลูกวัวพิการออกมาหกขาเจ็ดขาเนี่ยโอ้โหขอหวยกันดีนะเอาแล้วหน่อยเป็นอย่างนั้นล่ะมันเชื่อมันเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะ นี่ไงว่าถ้าหากศรัทธาเว้นเสียเว้นจากปัญญาไปแล้วเนี่ยมันพิการเลยนะเวริยาเนี่ยเพี้ยนไปสิเพี้ยนไปเหอะถ้าหากว่าไม่มีปัญญาเป็นปุเรจาริเป็นตัวนําำไปแล้วก็เพี้ยนผิดใช่ไหมเพี้ยนผิดระดมเป็นบ้าเป็นหลังไว้นั่นแหละชีวิตเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเข้าใจมุมของปัญญาว่าสําคัญที่สุดเลยนะีย เพียนก็เพียนกับเขา เ, าเขาให้เดินเดินเดินทั้งคืนก็เดินลองเดินดูไม่อ่านทำมาบทหน่อยอ่านอะไรหน่อยไปเสร็จก็มาระดมลองกับเขาดูอยู่มั้งลองทำทำทำลองเดินดูที่ก็ทําไปอย่างนั้นแหละอาศัยว่าหนึ่งกล้าสองเรามีความเพียนเรามีความบากบันเราจะต้องมุ่งมั่นคิดว่าเพียนถึงที่สุดแล้วปัญญามันเกิดเองคิดอย่างเงี้ยก็ระดมระดมไปที่สุดจริงๆก็สุดเดินเดินเดินไปก็สุด เดินที่เดินเหยียบกระซุดและขาก็จะก้าวไม่ออกที่สุดจริงๆก็ไปไม่รอดออทํำยังไงเนี่ยทําไมมันไม่มมันไ่โล่งขึ้นมาเองสักทีแต่ก่อนมันคิดอย่างนั้นนะคิดว่าละดมทุกอย่างเถอะเดี๋ยวปัญญามันพุ่งพรวดออกมาเองนั่งกรรมาฐานไปเถินนั่งนั่ง น, ง น, งน่งไปเนี่ยนิ่งนิ่ง น, ง น, ง น, งนงไปเดี๋ยวปัญญาจะพุ่งอย่างแสงสว่างขึ้นมาเองเข้าใจแบบเนี้ยแต่เชื่อไหมว่ามันผิดมันพลาดมันปัญญาไม่ได้เกิดอย่างนี้ ปัญญามันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยความบ้าและหอมใช่ไหมล่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ปัญญานี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องมันเกิดจากความเข้าใจถามว่าเราจะทําโลกใบนี้ทั้งใบเป็นห้องกรรมฐานได้ยังไงมันละมันเรื่องปัญญาเลยนะต่อให้ไปนั่งในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะแต่ถ้าปัญญามันไม่เกิดมันก็ไปนั่งมืดอยู่นั่นแหละ ใช่ไหมลูกลองไปดูที่ลองไปนั่งดูที่เอาให้ได้คมได้ข้อมูลที่ไม่ดีไปนั่งดูที่คิดว่าห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมนั้นนมันจะเป็นอารมณะปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยทําปัญญาให้สว่างจ้าขึ้นมาได้จริงไหยถ้าไม่เข้าใจอะไรไปเลยมันเรื่องความเข้าใจมันเรื่องความเข้าใจฉะนั้นต้องมนานสิการบอกว่าทำทั้งหลายเนี่ย เว้นขาดจากปัญญาแล้วไม่สามารถจะดําเนินการไปได้ศรัทธาเว้นปัญญาก็ไปไม่เป็นวิรยิยะถ้าไม่มีปัญญาเป็นปุเรจาริกก็ไปไม่ได้สติระลึกนี่แหละถ้าไม่มีปัญญาเสียก็สติก็ระลึกไปไม่ได้อีกเหมือนกันสมาธิใช่ไหมถามว่ามิจฉาสมาธิก็มีมิจฉาสติก็มีมิจฉาวายามาก็มีใช่ไหมตลอดถึงว่าศรัทธาเทียมมันก็มี ศรัทธาที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาปลอมๆเนี่ยมัน ม, ม, นมีมันไม่มีปัญญา น, ำนํำนะไม่ใช่คนมีศรัทธาปลอมจะไม่ทานนะให้ไม่ใช่ไม่รักษาศีลนะรักษาไม่ใช่ไม่เจริญภาวนาเนะี่ยเจริญภาวนาแต่มันละตันหามานะทิถีไม่ได้สภาพตันหาก็รุมเล้าทิถีความเห็นผิดก็กระแทกใจแล้วก็มานะเยอะยิงถือตัวมันก็เกิด แต่พอไม่มีปัญญาจัดแจงอากุศลและธรรมอลามกคัดสรรว่าไอ้ น, นี้ควรเข้ามาในชีวิตไอ้ น, นี้ไม่ควรเข้ามาชีวิตใช่ไหมล่ะเหมือนปริญนายกแก้วปริญนายกแก้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการคัดสรรว่าใครเป็นโทษต่อพระราชาใครเป็นประโยชน์ต่อพระราชาก็กําจัดคนที่เป็นโทษและนําสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาหาพระราชาใช่ไหมจัดแจงอย่างนี้อันนี้คือปัญญาเนะ ปริญายกแก้วเนี่ย อ, อุปมาได้ด้วยปัญญาใช่ไหมเล่าฉะนั้นสภาพปัญญาต้องคัดสรรว่าใครเป็นประโยชน์ต่อกระแสชีวิตของท่านวูนนี้ก็นำศรัทธาเป็นประโยชน์เอคุณเข้ามาวิริยะมีประโยชน์เข้ามาสติมีประโยชน์เข้ามาสมาธิมีประโยชน์เข้ามาความไม่โลภมีประโยชน์ความไม่โกรธมีประโยชน์ใช่ไหมก็เข้ามาเจตนาเจตนา ภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิตินสีมรดิกาไอส่วนนี้เป็นประโยชน์ไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์คัดสันก่อนเพราะมันมีสองส่วนเจตนาชัว่วอยามาแต่เจตนาดีมาอยู่ได้ภาษาที่กระทบอารมณ์แล้วเป็นไปใจแก บ, บาปไม่เอาเอาภาษาที่เป็นส่วนดีวิริยะเหมือนการถ้าส่วนดีเข้ามาสติเป็นต้นเหล่านี้นะถ้าก็คัดสันนี่เรื่องปัญญาล้วนๆเลยนะที่จะมีการคัดสันว่านี้เป็นประโยชน์กับกระแสชีวิต นี้เป็นโทษแก่กระแสชีวิตก็คัดออกตัดออกละออกทำลายออกเพราะอะไรถึงเห็นเพราะความสว่างเพราะความไม่บืดบอดของจิตเพราะลักษณะของปัญญาเนี่ยมีการกำจัดความมืดคือโมหะที่ปิดบังสภาวะลักษณะแล้วก็สามัญลักษณะของปรมัตถธรรมของสภาวะธรรมสภาพธรรมที่ไม่หลงต่ออารมณ์อ่ะถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าปัญญาเนี่ย แสงสว่างคือปัญญาเกิดเพราะการกำหนดถ้าเรามามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าทมที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะตามความเป็นจริงงงสภาวธรรมทีนี้สภาพธรรมที่รู้อารมณ์ของปรมัตถธรรมตามความวาจริงดุจนักแม่นธูนี่นี่ยยิงตรงเป้าเนี่ยหรือกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า สภาพธรรมที่ส่งความจริงของอารมณ์ประมัตถให้สว่างเจิดจ้าดุดดวงบัณฑิตท่ามองนี้ก็เย็นเลยบอกอ๋อความโลภเข้ามาในใจเป็นปรมัตถธรรมนี่ไอ้อความโลภมันไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรเลยใช่ไหมเวลามันวิ่งเข้ามาในใจปุ๊บเนี่ยพอสภาพปัญญามันสว่างเจิดจ้าว่า อ, อ้ิบาปจะเข้าใจแล้วก็คัดออกไม่เอาถ้าความไม่โลภอะ อ, อย่างนี้เอาอย่างนี้ใช่ถ้าความโกรธจะเข้ามาอิสาเมฉริยะกุกุจจานี่ไหม ความโกรธความกระทบกระทั่งความปัทุศร้ายแห่งจิตปัทุศร้ายลมจะเข้ามาเอไม่เอาถ้าอิสาธรรมชาติที่ก็คือไม่พอใจนะธรรมชาติที่มีความลิษยาในทรัพย์สมบัติและคุณความดีของคนอื่นเนี่ยนะนี่ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ให้เข้ามามัฉริยาอีกตัวตหนี ห, ห้องแหนก็ไม่ให้กุกุจยาฟุ้งซ่านลาคาญใจก็ไม่ให้เข้า ม, ามันเห็นปัญญามันเห็นสภาพเหล่านี้แต่ตอนนี้มันเห็นจริงไหม มันเห็นไหมว่าเวลาอกุศลธรรมอลามกเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาในใจเนี่ยมันทําไมมันมันไม่ใช่วิ่งมาอย่างเดียวนะตอนเนี้ยทีน้ำมิธาเนี่ยเห็นไหมเห็นว่ามันเข้ามาเนี่ยเห็นไหมหรือไปเห็นตอนมันมาอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตเราแล้วเล่นให้มันเล่นทำลายเราจนหงอยเหงาหมดแล้วแล้วทิ่จะพูดยังไงก็พูดไปสิว่าตาลอยแล้วใช่ไหมอย่างนี้ตาลอยแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่า แล้วทำไมถ้าปัญญามันสว่างเจือจ้าจริงๆทำไมไม่เห็นทำไมไม่การก่อนหรือถ้ามันมาเบสเสร็จเขาต้องบอกว่าอะไรเนะที่บอกว่าหนึ่งถ้าปัญญ่าเจตนาดีจริงๆต้องกระตุ้นวิริยะด้วยใช่ไหมละ่ะต้องป้องกันเข้าได้ด้วยถ้าปัญญาเกิดได้จริงๆเนี่ยเขาไม่เข้ามาถ้าเน็ตสํานวนก็บอกว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยบอกว่ามาทําไมถ้าพระราชานั่งอยู่เนี่ย ปัญญาประดุดดังพระราชาญาณนะหรือปัญญานั่งอยู่ในใจเนี่ยยังมีอกุศลอื่นๆยังจะโผล่หน้าหเห็นไหมไม่มาหรอกอันนี้บ่งบอกได้เลยเธอว่าตอนนั้นน่ะปัญญาโดดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะถ้าปัญญานั่งอยู่ในแท่นนั่งเป็นเจ้าคลองบอลลังกระแสชีวิตอยู่เนี่ยแล้วโมหะยังจะเสนอหน้าบอกขออยู่นั่งอยู่ด้วยได้ไหมก็แสงสว่างมันจ้าหมดแล้วในใจเนี่จะมีความมืดเข้ามาปกคุมจิตใจได้ไง อันนี้บงบอกว่าอะไรเนี่ยบงบอกว่าปัญญาไม่เกิดเขาอะไรเป็นประธานฐานของปัญญาสมาธิประธานฐานหนั่งใช่ไหมเออนี่ก็เห็นว่าเออสมาธิเป็นประธานฐานคําว่าประธานฐานเป็นเหตุใกล้ของปัญญาแสดงว่าเราไม่มีสมาธิใช่ไหมปัญญาถึงไม่เกิดทีนี้ถามว่าแล้วสมาธิไอ้ตัวเอกกับคาตาหรือสมาธิเหล่าเนี้ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้สมานัต ตอนนี้ถามว่าจิตใจมันสมันนัดไหมอันนี้เราก็รู้แล้วนี่ไม่ใช่ถอยลงไปดีแล้วมันสงบไหมกายวาจาโดยเฉพาะสภาพใจมันสงบเยือกเย็นไหมไม่ใช่สงบแบบสับสปปงบนะคำว่าสงบเนี่ยสงบที่มันชื่นใจมันลึกเ่ยมันมีความสุขแล้วมันมีปีติไหมถอยลงไปเ่ปีติแบบมีปรลาโมดไหมมีความไม่เดือดร้อนใจไหมแล้วมีเจตนาศีลเป็นต้นเห็นไหมนะ ถ้าเราถอยลงไปเราจะเห็นโอ้ยสภาพธรรมที่จะรองรับปัญญามันไม่เกิดนี่แปลว่าเบื้องต้นมันพลาดแล้วเบื้องต้นมันพลาดแล้วถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นอะไระเห็นว่าอาวัยวะน้อยใหญ่ของตนเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเป็นผู้เกิดสมณัตนะบอกว่าจริงอยู่นะพระบริษัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาจักสุที่อันลืมแล้วก็หมายความว่าเพราะเหตุนะั้นปัญญาจึงเป็นใหญ่ในการปฏิบัติในการปฏิบัติ เช่นปัญญาเป็นใหญ่ในไหนในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญเนกขมมะในการในการที่จะบ่มปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปในการระดมความเพียรเอ่ยระดมขันติเอ่ยทําสัจจะให้เกิดเลยเนี่ยคนไม่มีปัญญาตั้งสัจจะก็ผิดผิดไหมล่ะสัจจะก็ผิดสัจจะที่ควรจะตั้งก็ไม่ตั้งไปตั้งสัจจะเลยใช่ไหมล่ละนั่นมันเรื่องของปัญญาที่รู้เหตุแล้วผมคนที่ตั้งสัจจะถูก ขันติเนี่ยเจริญขันติเนี่ยไม่มีปัญญาอดทนเนี่ยอดทนแต่โกรธอดทนอย่างนี้ไปเรียกเข้าใจปัญญาได้ไงอ่ะทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่เลยอะ่ะบอกว่าโ อ, โ อ, โอ้เนี่ยดีนะวันนี้ถามทมมําไมแม้แต่ทนไม่ได้วันนี้มีเรื่องแล้วถ้าทนไม่ได้มีเรื่องถามทําไมบอกว่าโ อ, โ อ, โอมีคนลําคาญมันด่าทั้งวันเลยว่าถามาแล้วเแล้วทํามไมถ้าถ้าทน อ๋อเพราะมีขันติเนียพราฟังธรรมม า, มาแล้วจะเป็นไงตอนขนาดฟังโกรธแล้วโกรธที่จะกลั้นก็วะอย่างนี้มีขันติไหมอันนี้ไม่เรียกขันติขันติไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะขันติไม่ใช่โกรธ ถ, ถึงบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดเท่านั้นแหละตอนหน้าคนใช่ไหมแต่โกรธไหมโกรธน้อยใจไหมน้อยใจหงุดหงิดไหมหงุดหงิดแต่ทําทีทําท่าเฉยๆก็ว่าแต่ถามมีขันติไหมมันพังไว้ตั้งนานแล้ว ขันติอันพังไปทั้งนั้นถ้าขันติเนี่ยเขาเรียก่ายการยอมรับได้การยอมรับได้ที่มีปัญญาเป็นปุเรจาริกยอมรับได้ด้วยปัญญาทําไมต้องอดทนถามว่าทําไมต้องนั่งอดทนฟังทำเพราะเรามีปัญญาทํามีปัญญาแล้วดียังไงเพราะเราเห็นว่าเราต้องทําเหตุแบบนี้เป้าหมายคือการพ้นจากวัททุกข์เราต้องการสะสมปัญญาเราถึงต้องตั้งใจฟังใช่ไหมลูกถามว่าฟังเนี่ยเพื่อใคร นะเพื่อใครเนี่ยก็เพื่อจะสร้างกระแสชีวิตของตนเองนี่แหละให้มีปัญญามากขึ้นเมื่อมีปัญญามากขึ้นแล้วเี่ยต่อไปเราจะได้เดินเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายดินถูกเหมือนความคิดเนี่ยอย่าลืมนะวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงเราคิดถูกทางผิดทางถูกทางถผิด ท, ทางอยู่เนี้ยตลอดเวลาเลยสังเกตดูนะเช่นถ้ามีความโลภมาปุ๊บในกระแสชีวิตมีทิฏฐิมีมรณะก็ผิดแล้ว ก็ไปทางถ้ามีโทสะอิสมรมาเฉลี่ยางก็ไปอีกทางหนึ่งทั้งทั้งกลุ่มโลภะ ก, กับโทสะโมหะก็ปิดหมดเลยใช่ไหมผิดทั้งตลอดเอาสิแล้วแล้วอะไรคือมัชฌิมาปฏิปทาเพราะมัชฌิมาปฏิปทาเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อของกุศลแต่ถ้ากุศลที่เกิดขึ้นโดยชนิดที่ตั้งใจผิดเอา้าไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาอีกเพราะเป็นกุศลที่ข้อมูลไม่ชัดเป้าหมายไม่ชัดถ้าถามบอกว่าอย่างชีวิตเนี่ย เิ่หมดเวลาแล้วเลยหมดเวลาแล้วไม่มีใครบอกเลยก็จริงๆพยายามจะเร่งระดมเรื่องปัญญาเนี่ยแต่ว่าเอาไว้ช่วงบ่ายเนาะเอาไว้ช่วงบ่ายก็คือว่าอยากจะให้เราได้เข้าใจในเรื่องของการสมาทานแล้วก็ตั้งใจให้มั่นในการที่ทำปัญญาให้ประชุมในกระแสชีวิต แต่พอพูดถึงปัญญาไม่ใช่สภาวธรรมคือปัญญาตัวเดียวนะพูดถึงบริบทที่จะทําให้เกิดปัญญาได้ด้วยทั้งหมดพูดเรื่องศรัทธาได้วยวิรยิยะด้วยสติด้วยสมาธิด้วยฉะนั้นสภาพปัญญาที่เกิดขึ้นมาได้พ่อต้องอาศัยเหตุปัจจัยฉะนั้นการสมาทานอย่างเดียวไม่พอที่ท่านใช้คําว่าปัญญาธิฐานหนังการอธิษฐานให้มั่นคงที่จะประชุมปัญญาให้ตั้งขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่เราจะทิ้งไม่ได้คือปัญญาคือกรรมมรรตาปัญญาให้เข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมเข้าใจว่าปัจจุบันผลที่เรากําลังประสบอยู่นี่มาจากอดีตเหตุอย่างไรและเรากําลังทําปัจจุบันเหตุที่เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรให้แยกให้ชัดมันจะได้รู้จักว่าโอ้ยเรากําลังทําบุญทําบาปและกําลังรับผลบุญของบาปเห็นคนอื่นกําลังทําบุญและทําบาปกําลังรับผลบุญและผลบาป มันจะเริ่มเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นผลปุ๊บสาวหาเหตุได้แล้วกระทาเหตุปุ๊บก็รู้ได้ว่าผลจะสืบเนื่องมาอย่างไงเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนก็แล้วเพิ่มปัญญาชัดแล้วอันนี้ก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะเดี๋ยวต่อไปตอนช่วงบ่ายก็มาวิจัยปัญญากันอีกพักหนึ่งแล้วก็จะอธิษฐานจะทําวิรยิยะเกิดขึ้นได้หรนะือันนั้นก็วายทีก็ขอโมโนนากับเราทั้งหลายที่ตั้งใจนะ บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจนี้ก็ขอให้รักษาอริยรัพภายในคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้รักษาอินรีย์5คือศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้จนถึงปัญญาเป็นที่สุดให้มากกว่าการรักษาซับภายนอกให้รักษาซับภายในเนี่ยคือมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยให้มากกว่าการรักษาญาติให้มากกว่าการรักษาวัยวะและให้มากกว่าการรักษาชีวิต เพราะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกเอ่ยญาติเอ่ยอวัยวะเอ่ยชีวิตเลยไม่มีสาระเท่าศี่ลสาระสมาธิสาระและปัญญาสาระถ้าเราไปชมสัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นศี่ลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระนี้ได้ดีแล้วนิพพานซึ่งเป็นอมาตะสาระก็อยู่ไม่ไกลก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สมหวังในนิพพานซึ่งเป็นอมาตะสาระด้วยเหตุที่เรารักษา สีลราระสสมาที่สาระปัญญาสาระด้วยกันทุกท่านทุกประการเน้สาธุ